เทศที่วิทยาลัยครูอุดรธานี12กักฎาคม2512โดยพระอาจารย์มหาบัรยานาสัมพนุผูช้ชมีผู้ทีทรงคุณวุฒิเป็นที่มีชื่อเสียงไป็ที่รู้จักเรื่องดูทั่วโลกได้มาให้ความรู้แก่พวกเราอันที่จริงแล้วท่านอาจารย์องค์นี้คือวัดบั้นท่านเป็นผู้ที่ เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกมีชาวต่างประเทศชาวชาตอังกฤษอเมริกาและแคนาดามาฟังพุทธมเทศนาจากท่านเป็นประจําซึ่งก็บางคนที่ขับเลี้ยงชนะเวลามาฟังเป็นเวลาเพียงของทสามวันถึงว่ามาถึงกรุงเทพแล้วก็เลยมาที่ที่นี่เมื่อฟังพุทธมเทศนนาจบแล้วก็กลับโดยที่ว่าไม่มีการพักผ่อนที่กรุเทพเลยแล้วก็ในวันที่สิบหกเดือนนี้ ก็จะวันที่19ตนี้ก็จะมีชาวอังกฤษคนหนึ่งมาอุสิศหมดกับท่านที่นี่แต่ของอุทิศหมดในราวันที่26นี้ท่านอาจารย์องคนี้ได้เป็นที่ต้องพระประสงค์ขององพระองค์พระมหากษัตริย์พระมุขของชาติเป็นที่พอพระทยของนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมากท่านอยู่ไม่ห่างจากพวกเราเลยแต่พวกเราก็ไม่เคยได้ฟังความคิดเห็นจากท่านเลยวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้ว พอเห็นพวกเรา ล, ลุกขึ้นยืนเพื่ อ, อได้กลา่าวคำไหว้พระพร้อมกันอระหังสมมาสมบุโทโภปค่าวาุทังสวันตังอภิวาเทมิ วาคาโต้พวาตาตัมโมหัมังนมัสสามีสุปฏิอโนพะขว า, าโขวโตสาสวกสังโฆสังฆนมามีอเชิญนั่งท่านพระอา จ, จารย์จะ พูดในเชิงปารักษา<ม>กวัดนี้ได้เวลาแล้วผมนามของพวกนักศึกษานีขออารฐาน<ม>วันนี้เป็นวันอุรมมงคลที่ต้างท่านที่เปนนักศึกษาได้มีโอกาส ได้มาพบฟังและฟังธรรมะธรรมสังสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งอาตมาจะได้อธิบายให้ฟังตามตสมควรแต่เวลาหากว่ามีความต้องกาดด้วยประโยคแห่งธรรมะหรือคำพูดใดๆก็ดี หวังว่าคงได้รับภัยจากท่านทุกฟังโดยทั่วกันเพราะอาจารย์ก็เป็นพระป่าโดยมากก็อยู่แต่ในป่าไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เข้าสังคมที่ท่านนิยมมาแล้วเพียงไรด้า น, นการพูดทุกๆประโยคอาจจะมีความคาดเ่อนไปได้ จึงขออ ภ, ภัยจับบรรดาท่านนักศึกษาทั้งหลายด้วยคําว่านักศึกษาก็รู้สึกว่าเป็นที่ทราบถึงถึงจิถึงใจแล้วเพราะหลักศึกษาทุกๆุกขนแขนงที่เราทั้งหลายได้ศึกษามาเป็นเครื่องที่แนวทางให้เราทราบชีวิีแห่งชีวิตและความเป็นไปของเราประจําเป็นประจําเพราะโลกมนุษย์เราไม่เหมือน บรรดาจักรทั้งหลายย่อมมีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีธรร ม, มีวินัยเป็นเครื่องอยู่อาศัยเป็นเครื่องปกครองเป็ทำให้มีความร่วมเย็นแ็นสุขถ้ า, า, ากรา้จากกฎข้อบังคับหรือระเบียบวินัยแล้วมนุษย์เราจะทำความกระทบกระเทือนกัน ยิ่งกว่าบรรณาสตัตว์อยอีกเพราะฉะนั้นนักปราศทั้งหลายที่เป็นบรรทุรจรึงได้มีกฎเกณฑ์ระเบียบขนบกรรมเนียมประเพณีไว้สำหรับให้คุณระบุตรท้ายภายหลังได้ประพฤตปฏิบัติดำเนินทามจะเป็นไปก็คำราบือคำว่าหลักปิชาที่เราทุกุกท่านได้ศึกษามา ล้วนแต่เป็นหลักการที่ขี้แนวแห่งชีวิตและความประพฤติทุกดยางให้เป็นไปกับความเรี ย, รยรบร้อยราบรื่แก่ตัวของเราและสังคมทั่วๆไปนอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอีกด้วยเพราะการศึกษาด้วยดีนี้เพราะเราเมื่อได้รับการศึกษาด้วยดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําอันเป็นไปน ในเส้นคิดแห่งการศึกษานี้ย่อมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ร้งกล้าเนื่อการศึกษาจึงเป็นของดีที่เราทุกท่ททานจะต้องมีความรักในการศึกษาการศึกษานั้นเป็นภาพที่ให้เรารู้วิธีดำเนินและประพฤติปฏิบัติอย่างไรต่อจากนั้นก็เป็นภาพปฏิบัติเมื่อเราเรียนแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนมาก็เป็นโมฆะมาค่อยจะรับประโยชน์เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นภาคการศึกษากับภาคปฏิบัติท่านจึงให้เป็นคู่เพียงกันไปเวลานี้เรากําลังมารับการอบรมศึกษาเพื่อรู้วิธีปฏิบัติเช่นเราจะดําเนินไปในทางสอนคนเช่นสอนเด็กคือเราเป็นครูเราจะต้องรู้วิธี แล้ววิชาที่จะนำไปสอนเด็กด้วยความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเด็กเราจะต้องทราบไว้ทุกระยะการไม่เป็นนั่นก็จะไม่เป็นไปก็ความราบรื่นนั้นดีงามสําหรับเด็กก่อนที่เราจะเป็นผู้ใหญ่จําเป็นต้องเป็นเด็กไทยก่อนคือได้รับการศึกษาให้เป็นไปพอสมควรมีทันทั้งหลายก็ดําเนินไปตามทางแถวนั้นเหมือนกันฉะนั้นจงเป็นผู้กระหนัก ในการศึกษาหนึ่งในภาคปฏิบัติหนึ่งทั้งสองประเภทนี้ถร า, ากว่าแตกแยกกันแล้วการงานจะไม่เป็นชิ้นเป็นอัน<ม>เพราะอิราเล่าเพราะว่าคนเรามีตั้งแต่ความรู้<ม>แต่มันมีการงานผลของงานก็ไม่เกิดขึ้นมเมื่อความรู้มีแล้วด้วย<ม>การประอกอบหน้าที่การงานก็อาจนิงไปตามเฉ็มชิดคือความรู้วิชาที่ศึกษามาด้วย ผลของงานก็ตกออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแต่อย่างไรก็อย่ากรุณาอย่าได้ลืมว่าทำกับโลกนั้นเป็นของที่แยกกันไม่ได้แต่ไหนแต่ไรมาคำว่าธรรมหรือคำว่าศาสนาบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเท่าไรนักเพราะไม่มีโอกาสที่จะศึกษาเรียนในทางนั้นเนื่องจากระยะเวลาไม่ค่อยเพียงพอ ดังนั้นในโอกาสนี้จะขออธิบายให้บรรดาท่านที่ฟังทั้งหลายให้ทราบเท่าที่วควรคําว่าธรรมหรือคำว่าโลกกับธรรมนั้นเป็นความสัมพันธ์เสี่ยงเนื่องซึ่งกันและกันคำว่าโลกก็คือหมู่ชนจะอยู่โดยลําพังคนเดียวก็ตามหลายคนก็ตามที่มีอาชีพ ต่างๆกันตามเรื่องของคนที่เป็นคารวาสเยื่อเอือนมีท่านเรียกว่าโลกเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มแล้วเรียกว่าโลกคำว่าทำนั้นได้แต่ประพฤติปฏิบัติที่โลกหรือบุคคลแต่ละคนจะนำประกอบพเมื่อแปลให้ได้ความแล้วทำแปลว่าสิ่งที่ดีงามคือการกระทาก็ก็ดี การพูดพ้อถุยไพเราะเพราะพิงการคิดทางน้ำใจครอบไม่เต็นไปกับความศึกษาบังเบียเป็นต้นนี่ท่านเรียกว่าธรรมเราผู้อยู่ในโลกก็เหมือนกับเราอยู่ในธรรมครอบความสุขความเจริญเป็นสิ่งที่เราทุกๆุกคนต้องการแต่ไม่ทราบจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างจึงจะถูกกับความต้องการของตนข้อนี้ต้องได้รับการศึกษา ส่วนสําคัญก็คือทําเป็นถ้าอากว่าเป็นขนมก็ต้องมีน้ําสําหรับเชื่อมให้มีรสมีชาตมีธรรมะก็เหมือนกันแม้จะมีความรูม้มากมายในทางโลกที่เราเรียนมาแต่ถ้าขาดธรรมะแล้วก็เหมือนกับว่าขนมที่บางประเภทศที่ขาดน้ําเชื่อมย่อมมันมีรสอร่อยพอที่จะรับทานธรรมะย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกัน ยิ่งสมัยทุกวันนี้ก็ยิ่งมีคนจํานวนมากและมาจากสถานที่ต่างๆรวมกันเรื่องขนมทรรมเนียมความประพฤติทุกด้านขอยอมเป็นเหตุให้ระเข้ากันไปหากมาผู้ที่ไม่ได้คิดผ่านใจตรองและผู้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งน้ำใจดย้ยช่วยแล้วจะเป็นเหตุให้เสียได้อย่างรวดเร็ว เท่าประมาณแล้วก็เหมือนกันกับรถที่มีแต่คันเร่งอย่างเดียวไม่มีเบรกซึ่งควรจะใช้ในการที่จำเป็นตามธรรมดาของรถที่ตกเข้ามาในเมืองไทยของเราก็ดีจะตกมาในเมืองไหนก็ดีหรือจะมาจากเมืองใดก็ดีเขาย่อมทาให้ทุกบุญทุกส่วนของรถ ควรแต่การขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายสำคัญอยู่ที่ผู้ขับรถจะเป็นบุคคลเช่นไรเท่านั้นนี่เราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเทียบกับคนขับรถที่จะดัดแปลงตนเองเป็นเช่นเดียวกับบุคคลที่ขับรถให้เป็นไปก็ความราบรื่นตามธรรมดาของรถทุกๆคันย่อมมีทั้งคัเนเร่งและเบรคพร้อมคันเตจผู้ที่จะขับขี่ไปในทางใด ต้องการความรวดเร็วหรือช้าหรือจะหยุดพักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเครื่องที่จะบังคับมีอยู่ภายในรถนั้นเสร็จนอกจากจะของจะปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักของผู้ขับรถเท่านั้นนี่เป็นหลักสําคัญเราที่เป็นคนขับรถต้องเป็นผู้ระมัดระวัง ไม่เทียงแต่ว่าเป็นถนนคนทางแล้วก็เหยียบคันเร่งด้วยไปเช่นนั้นบางทีรถตาดสวนมาบางทีมีคนหรือสัตว์เดินตัดหน้าก็มีแล้วบางทีเป็นที่ชุมนุมคนสี่แยกซึ่งควรจะรอควรจะหยุดควรจะหยุดรถอะไรทํานองนี้เราต้องได้ระวังตาก็ต้องตาดี จิตใจก็ต้องได้คิดอยู่เสมอมีความระเวียงระวังไม่เช่นนั้นก็เป็นอันตรายเรื่องเกียวกับคันเร่งและพวงมาลัยเราจะเผอไปไม่ได้ในการเช่นใดซึ่งควรจะใช้สิ่งทั้งสามป ร, ประการนี้อย่างใดอย่างหนึง่งเราต้องได้นํามาท้าทันทีเมื่อเป็นเช่นนั้นรถที่เราขับขี่ไปก็เป็นไปเพื่ความสะดวกและปลอดภัยค อ, อนี้เป็น เครื่องเทียบอุ่พมาให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการครองตัวที่จะให้เป็นไปพ้วยความราบรื่นในโลกที่มีจำนวนมากและมีขนมตำเนมต่างๆกันเราต้องมีทั้งพวงมาลัยคือการมองซ้ายมองขวาเรียกว่าการใส่ครองด้วยความคิดผ่านที่เห็นว่าเป็นประโยชน์การยับยั้งตัวไม่ขุนขันไปตาม สิ่งที่มาโยโยนอันจะ ท, ำทำําสูให้มีความเสียหายและทันเร่งได้แจกเ ร, ร, ร, ร, ร, ร, รีบประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปในทางที่ดีมีความขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่การงานสิ่งใดที่จะเป็นหายนะทั้งแสียตนและส่วนรวมตลอดครอบครัวและวงศ์ตระกูลสิ่งนั้นให้เราทราบว่าเป็นเหมือนยาพิษเครื่องสังหารตนทั้งผู้อื่นด้วยที่เรียกว่าดับิชชาที่เราเรียนมา เมื่อเราเรียนมาแล้วเราต้องปฏิบัติตัวให้ดีเช่นนี้ถ้หาหากว่าขาดธรรมะคือการยับยัง้งการใส่ซองหาเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรแล้วความรู้วิชาที่เรียนมามากน้อยนั้นไม่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้แก่บุคคลผู้ไม่มีธรรมะนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเกียวเหมือนกับว่าคันเร่งของรถเบรกของรถพวงมาลัยของรถ เราเป็นผู้ขับรถซึ่งมีทาทั้งสามประเภทที่เทียบกับรถนี้แล้วจะเป็นผู้ดำเนินตนของตอนเนให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นการปฏิบัติในสินในและงานใดก็ตามไม่ค่อยจะสำคัญยิ่งกว่างานคือการปฏิบัติต่ตอตนเอง งานนี้เป็นงานสําคัญมากถากว่าการปฏิบัติต่อตอนเองไม่ถูกต้องแล้วเรียกว่าเราทํางานทิ้งใหญ่ใหญ่ให้เสียไปงานเล็กงานน้อยงานย่อยๆที่ออกไปจากตัวของเรานั้นไม่พูดสําคัญถ้าตัวของเรายังดีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเต็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการสําคัญที่เราซึ่งเป็นต้นเหตุของงาน และต้นเหตุแต่ผลของงานนี้ต้องปฏิบัติตัวให้ดีเฉพ้อยางยิ่งที่อยู่ในวัยกำลังคึกขนองนี้รู้สึกจะเหยียบตั้งแต่คันเร่งกันโดยมากที่เราเห็นทั่วไปแม้แต่ผู้แสดงคืออาจารย์นี้ก็เคยเป็นมาเช่นนั้นเหมือนกันไม่ค่อยจะมีเวลายับยัางท่้งตัวในวัยเช่นนั้นต่อเมื่อไวัยได้ผ่านไปและเหตุการณ์ได ผ่านมาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นที่เราได้เคยผ่านมาจะมีความเสียหายมากน้อยเราถึงได้พิจารณาทีหลังว่าสิ่งนั้นเราไม่ควรทําแต่เราก็ได้ทําไปจนแล้วด้วยความไม่ยับยัง้งหรือด้วย ก, การขาดปัญญาพนั้นคมทั้งพ่าดทั้งหลายที่เคยเป็นมาจึงได้นํามาแสดงแก่บรรดาท่านนักศึกษาทั้งหลายให้ทราบไว้ว่า การไตรตรองเสียก่อนแล้วค่อยไปค่อยมาค่อยทำค่อยพูดนี่เป็นสิ่งสั้งพันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะความอยากของเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีเวลาบกตงถ้าเป็นน้ำก็แม้ว่าน้ำในมหาสมุทรก็ยังมีเวลาลดหล่อนลดย่อนผ่อนตัวลงตามการข้องมัดแต่ความอยากความทะเยอทะยาน ทาไม่รู้จักยับยั้งทั่งตัวซึ่งมีอยู่ในหัวใจของเราแต่ละท่านและท่านมีรู้สึกจะไม่มีวันลดหย่อนความขันหากได้รับการส่งเสริมด้วยแล้วก็ยิ่งจะทวีคูณขึ้นเป็นลำดับการส่งเสริมนั่นคืออย่างไรคือการปลอร่อยลึกร้อยตามใจที่อยากโดยไม่มีเหตุผลไม่มีการยับยั้งตัวบ้างนี่เรียกว่าปล่อยตามใจวันนี้เราปล่อยขนานี้วันหน้า ดึกการต่อไปใจซึ่งได้รับการส่งเสริมในการต่อยตัวเช่นนี้จะมีก ำ, กำลังมากขึ้นและชอบประพฤติตามใจตัวโดยไม่คำนึงถึงความผิดชอบทั่วดีจนทวีคูณขึ้นเป็นลำดับหนับนอกจากจากนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะขั้นกลางห่วข้ามไม่ได้ถ้าเป็นน้ำก็เทียบเหมือนกับน้ำมหาสมุทร ไม่มีใครจะสามารถไปทําทําบกัน้นไม่ได้เลยใจที่มีความฟุ้งเฟอ้เ อ, อเอือ์เหิมลืมตัวเพราะความปล่อยตามใจวาเล็กกันน้อยย่อมเป็นไปตสบความเสียหายจนถึงขขั้นล่อแหลมตัวอันตรายหรือขั้นหมดหวังในคุณค่าของตัวก็ได้ฉะนั้นเราทุกๆคนจึงควรสำนึก ในตัวประธานได้แต่ตัวของเรามีเป็นหลักใหญ่ของความเจริญและความเสื่อมเป็นหลักใหญ่ของหน้าที่การงานและผลของงานถ้าเราตั้งหลักนี้ไว้ด้วยดีแล้วงานก็จะเป็นไปเพว่ความเรียบร้อยเออ เ, เป็นไปได้เพความเรียบร้อยและผลของงานก็จะมีความเจริญและชุ่มเย็นเราได้สิ่งใดมาด้วยการชอบทอ ด, ด้วยความชอบทำ ด้วยการปฏิบัติตัวของเราดีสิ่งนั้นจะมีเป็นความสุ้มเย็นสมบัติมีมากน้อยก็เย็นใจถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติตัวให้ผิดไปเสียเพียงเทาง่านี้แม้ผลของงา น, นอื่นๆที่จะปรากฏขึ้นมากน้อยก็ไม่สามารถที่จะทำใจใหเราให้สุ้มเย็นได้เลยเพราะความเดือดร้อนมีอยู่ที่ความขาดทำผิดซึ่งเกิดจากตัวเองเพราะการขาดความแต่ตรอง ฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่านิสัมมะการนางเตย อ, อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ใค่อยส่วนเสียก่อนแล้วค่อยทำลงไปแม้จะมีความผิดพลาดก็มีจำนวนน้อยไม่ค่อยจะผิดไปเสียเลยทีเดียวการเลือกเป็นนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเช่นเราจะถูกบ้านถูกตึกลูกตลาดทำเลค้าขายก็ตาม จะปลูกบ้านเดือนหรือทำเป็นไรเป็นนาก็ตามเขาจะต้องเลือกเล่นด้วยดีว่านี่เป็นทำเลเช่นไรหาคราบครกตึกรามบ้านช่องหรือตึตกปลูกตลาดจะสร้างตลาดเขาจะต้องหาทำเลที่เหมาะว่าเป็นที่รวมแห่งชุมชนทั้งหลายแม้จะปลูกร้านขายสินค้าก็ตา ม, ขตามเขาจะต้องเลือกสถานที่ ว่าเป็นทำเลเส้นใดเมื่อปลูกไปแล้วจะขาดทุนหรือมีกำไรจะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปข้างหน้าไม้เขาต้องเลือกเส้นเสียก่อนแม้ที่จะมีราคาแพงบ้างก็ยอมซื้อเพราะเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดจากสถานที่นั่นแน่ด้วยดีการเลือกเส้นจึงเป็นสิ่งสําคัญหากไปเลือกเส้นเห็นเขาทำํำเราก็ทําเห็นเขาไปเราก็ไปโดยไม่คิดอ่านต่ตจองเสียก่อนแล้วไปทํานี้ อาจจะเป็นความเดือดร้อนในภายหลังก็ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสืงสอนว่าให้เลือกเป้นแค่ก่อนค่อยทําให้เราคิดดูแม้แต่อาหารในสํารับที่ยกเข้ามาถึงที่และเป็นอาหารที่สําเร็จรูปเรียบร้อยแล้วควรแต่การรับทานอย่างเต็มที่เรายังต้องได้เลือกดูว่าอาหารประเภทใด ปูกับถาดฉันและแสลงกับโรคนอกจากนั้นยังต้องเลือกเป็นว่าอ่ะอาหาในช่วยในทำมีอะไรบ้างที่จะเป็นชิปภัยต่อร่างกายก็คือกระดูกก้างเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นภัยเราต้องเลือกเพื่อนละเก็บออกให้หมดจะรับทานทั้งสิ่งเหล่านี้เลยนั้นไม่ได้อาจเป็นภทยต่อร่างกายอย่างมากถึงตายก็ได้มีเพราะความไม่ไข้ควนไม่เลือกเป็น เพราะฉะนั้นธรรมธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราทุกๆท่านที่มีความมุ่งหวังความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและแก่รวมต้องเป็นผู้ตระหนักในหลักธรรมเราอยากเห็นว่าธรรมกับเรานั้นเป็นคนละอย่างและห่างเหินจากกันโดยไปอยู่คนละโลกไม่ใช่เช่นนั้นความสุขเราก็ต้องการความเจริญความสวยงามความเรียบร้อยทุกอย่างเราต้องการด้วยกัน แม้จะเป็นโลกไหนก็ตามความมุ่งหวังเหล่านี้ย่มตรงกันที่เข้มทิศทางเดินที่จะให้เป็นไปเพื่อความสมหวังดังที่กล่าวนี้คืออะไรนอกจากหลักธรรมะที่จะชี้ให้ถูกจุดแห่งความสมหวังนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีท่านสอนไว้ในหลักธรรมทั่วทั่วไปเพื่อคนทุกๆ ท, ทั้นจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศและวัยของตนมีสี่ข้อคือหนง ชันทะให้มีความพอใจในการงานที่เราจะต้องทำเช่นเดียวกับเรามีความพอใจในผลข้องงานมีเงินเป็นต้นวิริยะให้มีความขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่การงานของตนที่ทําอยู่นั้นจนกว่าจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความสวัสดีสมกับว่าเรามีความต้องการผลข้องงานมีเงินเป็นต้นจิตตะ มีความฝักไฝ่ต่อหน้าที่การงานเช่นเราเรียนหนังสือเราก็มีฉันทะความพอใจในการเรียนวิริยะให้ยามเรียนอยู่เสมอสู่ใจที่ควรจะท่องนลลจดจำให้ขึ้นปากขึ้นใจ จ, จดจำจนได้จิตตมีความฝักไฝ่ในหนักอิจาของเรามีมังษาให้ใจร้องในความหมายแห่ง สูตรนั้นๆว่ามีความหมายลึกซึ้งแค่ไหนมีกี่แง่กี่แทแน่งที่จะแยกไปจากหลักสูตรข้อนั้นๆเราต้องพิจารณาตรวจตรา ด, ด้วยปัญญานี่เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จหรือเป็นพื้นเพออันใดโตแห่งความสำเร็จของผู้มุ่งตอบผลของงานนั้นๆท่านสอนไว้สี่ประเภทคือชั้นทะคือความพอใจวิริยะ ความขยันหมั่นเพียรจิตตาความใจฝึกไปต่องานของตนมี่มังสาจะทำอะไรให้ใส่ตรองเรียบร้อยเสียก่อนแล้วจะสำเร็จลงด้วยความสมใจของเรานี่ท่านก็เรียกว่าธรรมะเราจะหาธรรมะที่ไหนนอกจากตัวของเราผู้กำลังมุ่งความสุขความเจริญอยู่เวลานี้ธรรมะก็คือเครื่องตรงไว้ ตรงอะไรไว้เล่าคนที่รักความสุขรักความดีผู้นั้นต้องเป็นผู้มีความสนใจต่อการทำดีไม่ว่าจะทางกายทางวาจาและทางใจผลคือความสุขความเจริญก็ต้องลงไว้ขึ้นบุคคลผู้นั้นนี่แปลยอดๆให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายได้ทราบว่าศาสนากับเรานั้นแยกกันไม่ออก เพราะเหตุใดเข้อศาสนาท่านขี้ลงในจุดที่มนุษย์ต้องการทางนั้นไม่ได้ขี้นอกเหนือไปจากความต้งการของโลกไม่ชอบทำเลยเมื่อเป็นฉะนั้นศาสนากับเราจะแยกกันได้อย่างไรทางสุขไม่ว่าทางกายไม่ว่าทางใจเราต้องการเมื่อต้องการความสุขวามเจริญไม่ว่าจะเจริญทางจิตใจและเจริญทางโทรศัพท์สมบัติเงินทองต้องเป็นผู้มี ความขยันหมั่นเพียรมีความกดความตึนหนักก็เอาเบาก็ทําไม่ลดละความเพียรไม่ให้มีความเฉียดกาดมีท่านเรียกว่าทำประการหนึ่งพุทานรณ์สัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรตื่นตื่นลุกเท้าทํางานให้ตรงต่อเวลาเวลาอยา่าคกหกตนเองต่อหน้าที่การงานจะทําให้เคยตัวมีท่านสอนอย่างนี้ คนที่มีความขยันหมั่นเพียรจะหาทรัพย์สมบัติประเภทใดย่อมได้ตามใจหวังอารักษสัมภาระเมื่อผลของงานเกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรที่เราทําได้แล้วให้เก็บห้อมรอนไมอย่าเป็นผู้ชลุชล่ยายจัตายจนท้ายจับตายไปท้ายจับตายจนหมดไม่มีอะไรเหลืออย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ชลุชล่ยายเกินไปท่านสอนไว้ว่า รัพสมบัติที่ได้มาด้วยความชอบธรรมของเรานั้นจะมากน้อยไม่สําคัญสําคัญที่ผู้เป็นเจ้าของนั้นจะต้องเจ็บรักษาหรือจะจับจ่ายไปทางใดบ้างโดยต้องเอาเหตุผลเข้าไปค้ำประกันคือเราจะจ่ายแม้แต่สะตางแรงหนึ่งขึ้นไปเราต้องมีเหตุผลว่าจายไปเพราะเหตุใรเท่านั้นบากเท่านี้สะตางเราต้องมีเหตุผลไว้เสมอถ้าหากไม่มีเหตุผลแล้ว ทรัพสมัติมีมากเท่าไรก็ตามจะหมดไปสิ้นไปโดยไม่กีวันกีเวลาเลยเสียงเดินิีนปวรอธิบายธรรมะไม่สะดวกเป็ขอไทยจา ก, ท, กทุกทก่านด้วยคือพักไว้กกวตัวเก่าการอธิบายธรรมะไม่สะดวกเมื่อกี้นี้จะอธิบายถึง เรื่องอารักขสัมปทาคือให้ถึงพร้อมด้วยการเก็บรักษาทรัพสมบัติที่เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมของตนอย่าเป็นผู้สื้อชสุอไร้ก า, ายไปไม่รู้จักประมาณทรัพย์หมดไปใจก็เสียไปด้วยทรัพย์รัวร่วไหเนื่องไปจากใจของเราที่รัว่วไม่มีประมาณในตนเองนี่เป็นหลักสำคัญ นั้นการรักษาทัพภายนอกกับรักษาใจของเราผู้เป็นเจ้าของนี้การรักษาใจรู้สึกจะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการรักษาทัพถ้าเรารักษาระดับใจของเราให้คงที่งามควรแก่เหตุผลทุกขัานแล้วการจ่ายทรัพย์แม้จะจ่ายมากน้อยย่อมเสียไปด้วยมีเหตุผลและได้เป็นประโยชน์ สำหรับตัวของผู้จ่ายแต่ถ้าจ่ายโดยนิสัยที่เป็นคนสรุ่ยร้อยด้แยแวทัพ ส, สมบัติแม้จะเสียไปมากมายเพราะการจับจ่ายแต่ผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับไม่ค่อยมีนี่เราควรจะสำเนึกอตัวของเราผู้เป็นเจ้าของแห่งสมบัติสมบัติทั้งมวลไว้ให้มาก การรักษาใจให้อยู่ในระดับที่ดีงามมีเป็นการรักษาทับโดยตรงถ้ารักษาใจได้แล้วจนเคยกินต่อนิสัยทรัพย์สมบัติมีมากน้อยเก็บไว้กว็อยู่จายไปก็เป็นประโยชน์ีการรักษาใจไม่ให้เป็นคนใจร่วนี่เป็นการรักษาชาติฉะนั้นขอให้ทุกท่านที้สนใจในการรักษาตัว คนเราจะเสียไปในทางใดเนื่องจากใจที่ได้รับการศึกษาอบรมมากน้อยต่างกันหรือไม่รับการศึกษาอบรมเลยนี่เป็นข้อที่เราจะควรคิดการรักษาสิ่งใดไม่เหมือนรักษาตัวของเราถ้ารักษาตัวของเราดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยดีไปตามเป็นเพื่อนหญิงเพื่อนชายที่มาพบุทาสมาคมกับเราก็เป็นคนที่ดี ในข้อหนึ่งได้อธิบายถึงเรื่องอุทาณสัมปทาคือให้มีความขยันหมั่นเพียรอย่าหัดเป็นคนเกียจคร้านต่อหน้าที่การงานที่ควรทำข้อที่สองอารักษสัมปทาให้ถึงร้อเบิกการเก็บรักษาทรัพย์ที่เกิดขึ้นมีขึ้นภายในตนข้อที่สามสมศรีตาคือการจ่ายทรัพย ให้ความเหมาะสมกับการใช้สอยที่คือความเป็นอยู่ของตนวันหนึ่งมีความจําเป็นขนาดไหนเราก็จับจ่ายแค่เท่าที่ความจําเป็นเท่านั้นไม่จ่ายให้เลยนั่นไปท่านเรียกวัสมะคียตาการเลี้ยงชีพให้พอเหมาะสมไม่ให้ผืดเครืองนะักไม่ให้พุ่มเฟือยนะัก การสูดเครืองทั้งๆที่ซั์เครื่องสนองมีอยู่แต่เราไม่ทําให้พอเหมาะพอควรอย่างนี้ก็เกิดความเดือดร้อนแก่เราในครอบครัวเหมือนกันการจรซับสุรุสุดร่ายจนกลายเป็นเรื่องคุ้มคลื่นไปในครอบครัวก็ไม่ดีจะเป็นนิสัยที่เรียกว่านิสัยใจรั่วเก็บอะไรไว้ไม่อยู่เช่นเดียวกับตะกร้า เราลองอาไปตักน้ําไม่ว่าน้ําในลําคลองไม่ว่าน้ําในบึงในบอ่อไม่ว่าน้ําในมหาสมุทรทะเลตะกร้าตักลงไปที่ตรงไหนน้ําจะไม่มีขังอยู่ในตะกร้านั้นเลยเพราะตะกร้านั้นรั่วหรือภาชนะรั่วก็เช่นเดียวกันใจที่รั่วพยายามเติมเท่นนั้นเก็บอะไรที่ดีงามไว้ไม่อยู่นอกจากของชั่วเท่านั้น มีเท่าไรอยู่จนหมดมเราต้องเราควรจะสนใจในจุดนี้ให้มากมิใช่บางคนที่ใจรั่วแล้วแม้จะได้เงินคลองมาวันล ะ, ละหมื่นละแสนลลนับล้านก็ไม่มีความหมายเพราะใจมันรั่วได้มาเท่าไหร่ก็หายไปหมดหายไปหมดความใจรั่วจึงไม่ใช่เป็นของดีจะทำความเดือดร้อน วุ่นวายแกเราและตัดความเจริญในอนาคตของเราด้วยนอกจากความใจรั่วเกี่ยวกับเรื่องการเก็บทรัพย์แล้วยังจะใจรั่วไปทุกแห่งทุกผลตลอดทุกการพกค้าสมาคมกับผู้หญิงชายไม่ว่าวัยใดอาจจะเป็นคนใจรั่วเป็นคนใจง่ายตับจ่ายขายไปเดยไม่มีเครื่องตอบแทนก็เป็นได้ เพราะพามใจง่ายนี่ไม่ดีมีอยู่ในผู้ใดคุณนั้นจะเป็นคนด้อยลาคาไม่ควรมีคุณค่าเท่าที่ควรและขอเน้นในคำว่าใจรั่วนี้ให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายได้ทราบและเห็นโทษของมันให้เราคิดดูว่าม่อรั่ว ก็ใช้งานใช้การไม่ได้แม้แต่ยางรถจักรยานของเรารั่วนก็ ข, ขับขี่ไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าขาดถ้ารั่วแล้วก็เริ่มจะทําลายตัวของมันใจของเราถ้าเริ่มรั่วก็เรียกว่าจะเริ่มทําลายตัวเองนี่เป็นสิ่งตั้งทัญถ้ารั่วมากก็ทาลายตัวเองไม่มีคุณค่าในตัวของเรา ด้านปริาได้พากันรั ก, รกษาระดับจิตของเราไว้ให้ดีเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้กำลังเข้าหัวเรียวหัวต่อคนก็มีจำนวนมากการกระทาดสมคมก็ต้องเป็นไปโดยลำดับลำดับเพราะความจำเป็นบังคับเนื่องจากหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกันเราจะอยู่โดยลำพั ง, งคนเดียวก็ไม่ได้เพราะชีวิตความเป็นอยู่ทุกด้าน ข้องเกี่ยวข้องกับสังคมเราจะปฏิบัติอย่างไรให้เข้ากับสังคมได้เรยราบอื่นแต่เราไม่เสียคนนี่เป็นหลักสาคัญที่เราจะต้องนําไปพิจารณาทุกๆุท่านเพื่สังคมเป็นไปเป็นไปเพืความราบอื่นตัวของเราก็เป็นไปเพื่ความปลอดภัยไม่มีอะไรเสียข้อหลักพิชชาคือธรรมะแทกจึิงไปในหัวใจถ้ามีถ้าเป็นรถก็เรียกว่ามีทั้งเด็ มีทั้งการเร่งมีทั้งกวงมาลายัยทำฟุบเรือสานให้มีความปลอดภัยมีเราก็กำลังดำเนินไปอยู่ทุกพุทธยักษ์ที่เกี่ยวกับการทองที้เกี่ยวกับสังคมเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยมีเป็นหนักใหญ่ที่เราจะต้องคุกคิดไม่เช่นนั้นจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลังเราจะเห็นสิ่งสิ่งใด ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราถ้าหาวัดตัวของเราได้เสียไปแม้เงินจะมีจํานวนนันล้านก็ไม่ค่อยมีผลเช่นเดียวกับผูกบ้านผูกเกือนให้คนตายอยู่จะผูกสักกี่ชั้นระดับธนาด้วยความสวยงามก็ไม่เห็นมีคุณค่าอะไรสําหรับบ้านแห่งคนตายหลังนั้น นี่กเหมือนกันสมบัติเงินทองที่มีมาจำนวนมากความรู้ที่เรียนมามากมากแต่มาประดับคนที่ไม่มีคุณค่าคือคนเหลวไหลคนเหลวแหลกคนใจรัว่วคนหลักลอยก็ไม่เห็มีประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเพราะหลักวิชาที่เรียนมาทุกๆุกแขนงก็เพื่อประดับตัวของเราให้มีความสง่าราศีและความปลอดภัยความราบรื่นมีงามในการประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและสังคมตลอดความเป็นอยู่ คือชีวิตจิตใจให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งหรือความสะดวกสมายมีหลักวิชาเป็นเคร่งเสริมคนให้ดีทางนั้นไม่มีหลักวิช า, านแขนใดที่เรียนมาแล้วหรือที่สอนให้คนทำความสี่หายแก่ตนเองไม่มีนอกจากจะเสริมคนให้มีความรู้ความถนาดในการปฏิบัติต่อตนเองเพื่อความปลอดภัยได้ราบรื่นเท่านั้นมีในข้อที่สามอธิบายผ่านมาแล้วข้อที่สี่กิญญาณมิตรตา การเลือกพบเพื่อนหญิงชายที่สมควรหรือไม่สมควรก็เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งเพราะคนเราโดยลำพังตัวเองคืออยู่คนเดียวความเสียหายย่อมมีน้อยความเจริญก็มีน้อยเหมือนกันแต่จะให้เกิดความเจริญเลือดเ่อมเสียนั้นย่อมเกี่ยวกับสังคมคือหมู่เพื่อนการพบค้าสมาคมกับ สังคมและหมูเพื่อนหญิงชายเราต้องเลือกเส้นทางในใจของเราด้วยดีว่าการตุกคาสมาคมตับไปแล้วจะเป็นไปเพราความเสื่อม เ, เอยดยดสียเกียรติยศชื่อเสียงหรือจะเป็นไปเพราความเจริญรุ่งเรืองต่อไปทั้งค น, นและผู้มาเกี่ยวข้องเราต้องเลือกเส้นด้วยดีไม่เช่นนั้นเมื่อหลวมตัวเข้าไปแล้วแก้ไขยากหรืออาจไ้่มีทางแก้ไขแล้วถล่มไปเลยก็น่าท่านจึงสอนว่าให้ เลือกเป็นในการพบค้าสมาคมกับเพื่อนหญิงเพื่อนชายอย่าเห็นแใ่ว่าเป็นเพื่อนแล้วก็เข้าไปเรื่องนี้สายแต่พอเป็นสิ่งทั้งพันเมื่อซึมซาบกันไปวันเลกน้อยๆึกือข้าเข้ากันไปวันเลกน้อยๆก็กลายเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ในหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าอเสวนาจะพาลานังกันติตานนจะเสวนาอย่าพบคนทานสันดานอยากให้พบบัณฑิตนักปราศอัน ซึ่งเป็นทา ง, งให้เปิดมงคล น, นั้นคำว่าคนพาณ น, นั้นมีสองประเภทคือคนพาณิชย์และคนชั่วภายนอกหนึ่งความชั้วความคิดที่ไม่ดีไม่งามภายในของตอนหนึ่งคนขั้วอยู่ภายนอกเรายังพารบหลีได้ความชั้วคือความคิดที่ไม่ดีไม่งามลัดกันให้เราคิดหาทางเปล่องเสียแก่ตนของตนซึ่งเกิด อ, อยู่ตลอดเวลาภายในใจนี้ รู้สึกว่าจะเลือกเป้นและนีเรี่ยงได้ยากที่สุดฉะนั้นเราควรจะสนใจในจุดนี้เรามองเห็นคนไม่ดีภายนอกเรายัางไม่พอใจไหนจะมาเจอตัวของเราเะเองซึ่งเป็นคนไม่ดีทั้งความประพฤติกายวาจาจใจทุกด้านนั้นไม่สมควรอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ า, าท่านสอนว่าให้คัดเลือก หรือให้เลือกเฟ้นบุคคลที่จะควรคบค้าสมาคมก่อนแล้วพบค้าสมาคมไปท่านให้เลือกเฟ้นแต่ก่อนไม่ให้พบค้าสมาคมแบบตุ่มสี่ตุ่มห้าอย่างนั้นใช่ไหมล่ะจะทําเราให้เคียะเรื่องอนาคตของเรายังมีคุณค่ามากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี้เราจะปรับปรุงตัวของเราเพื่ออนาคตต้องปรับปรุงหักปัจจุบันไว้ให้ดีคือปรับปรุงตัวของเราในวันนี้ให้ดี วันพรุ่งนี้ก็ให้เป็นคนดีเช่นเดียวกันเดือนหน้าปีหน้าตลอดอวาสานเมื่อเราปรับปรุงปัจจุบันคือตัวของเราใหอยู่ในกรอบแห่งเหตุผลและศีลธรรมแล้วเราจะเป็นคนเจริญรุ่งเรืองมั่นคงและเชื่อตนเองได้ตลอดถึงอนาคตไม่ปรากฏเป็นความเสียหายเกิดขึ้นในหลักปัจจุบันที่รักษาไว้ได้ดีนี่ได้เลย เหนือหลักธรรมะที่อธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบหวังว่าคงจะพอเข้าใจกันอาจารย์ก็เป็นข้าปา่าไม่ค่อยจะรู้เรื่องของทั้งคมว่ามีความเจริญและเสื่อมไปในทางใดบ้างจึงอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังด้วยแบบสุ่มเดาหากว่ามีความผิดพลาดประการใดก็หวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย และต่อทันนี้ไปหากว่าท่านผู้ใดมีข้อข้องใจในเรื่องข้ออาดข้อทำที่จะสนทนาก็ได้ตามการเวลาการแสดงทำให้บรรดาท่านนักศึกษาทั้งหลายฟังในวันนี้ก็รู้สึกว่ายังไมูุ่ใจที่อยากจะแสดงแต่ก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องยุติขอความสวัสดีมงคลในตะโกนโลก ยังมีแต่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยนคู่กัน